บัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปตามระยะแห่งหมวดของขันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาถึงตัวของขันแต่ละขันเหตุเกิดของขันแต่ละขันและความดับของขันแต่ละขันนั่น เลยบุคคลสามารถปรับใจให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแก่ขันทั้งหลายว่าแท้จริงแล้วขันเหล่านั้นไม่ว่าเราจะแยกประมองหรือว่าจะรวบมองไปเลยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารบิ ญ, ญาณหรือจะแยกมองกัติละขันมันก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เราพูดถึงรูปของชีวิตท่านเรียกว่าเกิดแก่ตายแต่พูดถึงช่วงของขันแต่ละขันเมื่ย่อยออกมาท่านก็เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขของชีวิตที่ดำรงอยู่และสืบต่อไปได้นั้นอาศัยสิ่งที่สําคัญสองประการคือตัวเหตุหลักกับตัวปัจจัยที่เข้ามาประกอบ เช่นความเป็นชีวิตที่มีองค์ประกอบร่วมกลายเป็นกายวาจาใจนั้นในส่วนของร่างกายที่ประกอบ ด, ดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณมีสังขารรนปลือหล่อเลี้ยงเอาไว้ได้แก่ลมหายใจเข้าออก เราสังเกตว่าแม้ส่วนอื่นจะบกพร่องไปบ้างแต่สาบใดที่ลมหายใจยข่าวออกยังมีอยู่สาบนั้นชีวิตก็ชื่อว่ายังมีอยู่แต่ส่วนเหตุให้เกิดชีวิตนั้นเประการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรมประกอบกันเพราะว่าในช่วงของเป็นชีวิตจริงๆมันก็ เป็นส่วนประกอบสองฝ่ายคือรูปธรรมและนมามธรรมการประกอบคนชีวิตมันก็ประกอบอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดในส่วนรูปธรรมก็ตามส่งกวนแก่กำเนิดชีวิตประเภทนั้นๆจะเกิดในคานเกิดในไขน่เกิด ใ, ในสองสกปรกหรือเกิดโดยผุดขึ้นมีส่วนหนึ่งก็เป็นรูปธรรม แต่รูปธรรมเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาไม่ได้ทากว่าไม่ประกอบด้วยกิเลสด้วยกรรมและด้วยปฏิสนธิบิญญาณและด้วยปิญญาณส่วนประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนประกอ บ, กอบที่เป็นเหตุหรือเป็นหลักของเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดมาแล้วคือประกอบกันเสร็จแล้วก็ต้องมีลมหายใจ เป็นตัวปลนปรือหล่อเลี้ยงเอาไว้ตัวลมหายใจนอกจากจะเป็นสังขารคือตัวปลนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วยังอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ถึงสัจจะของชีวิตเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะว่าลมหายใจนั้นเป็นรูปปั้นคันหรือเป็นกองแข่งรูปที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยกายด้วยกา ย, ยาประสาดหรยกา ย, ยาสัมผัส บางส่วนก็สัมผัสได้ด้วยประสาทส่วนจมูกแต่สรุปว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มของรูปพระเจ้าก็ทรงสอนในรูปของกรรมฐานให้มองที่ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานเป็นการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นๆ อยากให้ใจ ย, ยาวหรือสั้นก็ตามก็ตั้งสติระลึกรู้ไปตามนั้นจะได้ทรงแสดงไว้ในบาลีว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะ น, นี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะ น, นี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้โดยเนื้ยะนั้นเป็นการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก โดยจากนั้นก็จะมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ตัวลมหายใจขาออกแล้วก็สอนให้ดูกองลมคือที่เกิดของลมและที่ดับของลมในช่วงขาเข้าและขาออกก็จะเห็นว่าช่วงขาเข้านั้นลมกระทบที่ปลายจมูกหรือช่องจมูกในขาออกนั้น ลมตั้งขึ้นมาจากเหนือนาพีหรือเหนือสะดืกตั้งสติระ ล, ลึกตามไปทั้งช่วงเข้าและช่วงออกจิตใจของบุคคลหากว่าจเจริญไปได้ก็จะมีความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกในระดับนึน่ธรรมดาจิตที่มีความสงบนั้นจะมีปัญญาปรากฏขึ้นมาที่ท่านที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วจะให้เกิดสมาธิสมาธิที่บุคคลอบรมรักษาดีแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญญาปัญญาที่อบรมฝึกปลื้ไว้ดีแล้วก็จะเพิ่มพูนศีลสมาธิให้มีความประนีตมากยิ่งขึ้นเพราะปัญญาที่บังเกิดขึ้นอาศัยจุดเปลี่ยนแปลงของลมที่ท่านสัมผัสมาเป็นเวลานาน ในช่วงแรกมันก็กลายเป็นแนวของสมถกรรมฐานคือการทำใจสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่พงช่วงถึงช่วงที่สี่นี่เราจะเห็นอะไรเกิดมาอย่างหนึ่งคือลมหายใจมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจกถึงสงบหรือบางทีก็หายไปเลยหากว่าปัญญาไม่เกิดขึ้นราลึลกรู้เท่าทันทังความจริงก็อาจจะตกใจกลัวขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้าหากาสิทสติสัพจัญญาเป็นไปได้ดีก็จะเกิดความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นปกติธรรมดาของจิตที่จเจริญสมาธิมาถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเองในขณะเดียวกันท่านก็ไปตั้งสติะระลึกรู้อยู่ซึ่งที่จุดซึ่งลมเคยกระบทบจีตก็สงบอยู่กับจุดที่ลมกระทบแต่ในขณะเดียวกันประกายของปัญญาก็ช่วยเกิดการสะสม ความรู้เห็นตั้งความจริงของลมหายใจเข้าออกที่เป็นส่วนหนึ่งของกายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเป็นช่วงใหญ่แต่ในขณะที่ตั้งอยู่นั้นเองก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันอย่างต่อเนื่องแม้แต่ลมหายใจบางครั้งก็แรงบางครั้งก็กลางๆบางครั้งก็เบาบางครั้งก็คล้ายๆก็ไม่มีไปเลยนั้นแสดงเห็นงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ใน ในในสุดมันก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวสังขารขันที่เป็นตัวปลนปลือเป็นตัวหล่อเลี้ยงร่างกายเหรานั้นแล้วก็นำมาใชใ้เกิดเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นในทางธรรมาปฏิบัติ หรืทั้งเป็นช่วงของสมถกรรมฐานคือทําใจสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกและช่วงที่เปลี่ยนวิปัสสนากรรมฐานคือเรียนรู้จักความจริงของลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏแก่จิตของตนในขณะนั้นๆเนว่าออกก็จริงแล้วแก่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ตั้งอยู่ที่จริงก็ไม่ตั้งอยู่จริงเพราะแ ก, กเปลี่ยนแปลง อย่าทาให้น้อมนึกเข้ามาที่ตนส่วนรวมทเทวะเห็นกายทั้งในกายทั้งกายเป็นภายในทั้งกายเป็นภายนอกดังที่เคยได้ยินกันมองโดยหยาบหยาบก็คือมองที่ตัวเองก็มองที่คนอื่นก็จะเห็นเป็นความอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนแปเปลี่ยนแปลงไปจนถึงกระแตกดับไป คนนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าจากความคิดจุดนี้เองที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรู้ตัสินวระไทยจะเสด็จออกพนวดก็เพระมองเห็นอย่างนี้มองเห็นความแก่ความตายซึ่งเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากความเกิดแล้วครอบงมสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะมีวิ ญ, ญญาณหรือไม่มีวิญ ญ, ญาณก็ตาม เรียกว่าครอบงมสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเพั้นถึงบทสรุปที่ทรงสรุปว่าเมื่อใดเมื่อใดบุคคลมาเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมจะหน่ายในความทุกข์ความทุกข์ก็คือกองแห่งขันที่อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา อย่างที่ที่ทรงสอนแสดงโดยสรุปว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันตั้งห้านั้นเองเป็นความทุกจะเริ่มบางทรังเราเรียกอุปาทานอคันคือขันนั้นเป็นที่ตั้งของอุปาทานคือความจิตมั่นถือมัน่นเพราะถ้าเกิดปัญญาพิจารณาเหตุประจักษ์ขึ้นมาจะมองทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ในกระบวนการในเดียวกัน แต่การพิจารณาถึงความไม่เที่ยงนั้นจากตัวอย่างบุคคลที่ท่านประพฤติปฏิบัติและประสบความสําเร็จมาแล้วในสมัยพุทธกาลนั้นก็ <c oughs> ปรากฏ ว, ว่าจุดที่ท่านจับไว้นั้นไม่เหมือนกันแต่และท่านก็จะเห็นในแง่ใดแง่หนึ่งก่อนในมุมใดมุมหนึ่งก่อนและท่านมองเกี่ยวมุมนั้นสะท้อนไปสู่มุมเหล่าอื่นและในที่สุดก็ได้บทสรุปว่า สังขารทั้งหลายไม่เจียงสังขารทั้งหลายต้องปรุงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายต้องปรุงเป็นนัตตาแต่การเห็นในช่วงแรกจะเป็นการเห็นในจุดใดจุดเดิ่เท่านั้นกรณี้พึงสังเกตตัวอย่างเช่นพระรู ป, ปนันฑาเทรีซึ่งเป็นกนิษฐาปาคินีของพระพุทธเจ้ามีความหล ง, งมัวเมาสยบติดกันนัดกัหนักเพลิบเพริน อ, อ, อยู่ในรูปร่างกายของท่าน นาจะบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ยังคงกำหนักเพลิดเพลิ น, พนยินดีในความสวยงาม่างร่างกายของตนอยู่จนพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีบัคคาไปมาควังเทศในขณะที่ควังเทศอยู่นั้นก็ทรงนิมิตขึ้นเป็นภาพผู้หญิงสวยงามมากวัยส้สบซึ่งนางมีความสนพระไทยในความสวยงามของผู้หญิงรูปนั้น แล้วน้อมมาเทียบกับตัวเองเห็นว่าตัวเองนั้นสวยน้อยกว่าผู้หญิงคนนั้นจึงเจอความคิดประกายของความคิดเพียงชั่วขณะหนึ่งแสดงเห็นว่าได้ถ่ายถอนสินเนหาความเยื่อใยผูกพันในกายตนลงไประดับหนึ่งแต่ไปเกิดกำนัดเพลิดเพลินพอใจยินดีในรูปข้างนอกซึ่งผู้เจ้าสูงนิมิตขึ้น พระทัทยของนางก็จดจ่ออยู่ในรูปนั้นการจดจ่ออย่างนั้นเป็นอาการของสมาธิคือความสงบระดับหนึ่งแม้จะเป็นเรื่องของความขนาดเพลิดเพลินก็ตามแต่ถือว่าใจสงบอยู่ในจุดนั้นแล้วพอจะใช้ประโยชน์จากภาพซึ่งเพ่งพินิจอยู่ในขณะนั้นให้เป็นครูในการเรียนความจริงของชีวิตได้พระเจ้า ก, ก็ส่งบรรดาในรูปนั้นเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเร็ว จากสาวสเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากจนกลายเป็นคนแก่อายุ120ปีในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีค้อนี้จะเห็นว่าภาพเหล่านั้นปรากฏรูปสองอย่างด้วยกันคือความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนและการตั้งอยู่ได้เพียงขณะสั้นๆอันเป็นอาการของอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยง จิตใจของนางก็เกิดความสลดใจจางคลายไปทึ้งความกำหนัดความรักใคร่ยินดีจะรำพึงขึ้นมาว่ารูปนี้เมื่อก่อนประณีตจริ่งนักแต่กลับเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรปวนด้วยเวลาที่รวดเร็วใจก็เกิดเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดในรูปคือรูปตนที่คลายกำหนัดมาก่อนแล้ว แล้วในที่สุดก็ไปกำหนัดในรูปคนอื่นก็เกิดความคลายกำหนัดในรูปตอนนั้นแต่าตามปกติแล้วลักษณะของจิตนั้นเช่นว่าเหมือนกับว่านอนที่วิ่งไปตามต้นไม้ไปจับกิ่งนี้วางกิ่งนอนจับกิ่งนอนวางกิ่งนี้ก็จับไปเรื่อยๆหรือเหมือนตัวอย่างคนที่ ลอยคออยู่ในกระแสนา้าก็มีสิ่งต่างๆปรากฏอยู่บนผิวน้ําก็จะเกาะจับไปเรื่อยๆจับสิ่งหนึ่งก็ปรากฏว่าเกาะไม่ได้ไม่สามารถประคองตัวได้ก็วางเลไปคว้าสิ่งอื่นก็คว้ากันไปเรื่อยๆภาพของชีวิตเป็นอย่างนั้นเองจิตใจเมื่อไปมองเห็นในจุดใดจุดหนึ่งถ้ามองเห็นไม่หมดแกก็จะวิ่งไปหาจุดอื่น ด้วยความปักใจมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนพอที่จะเป็นพีึ่งที่พึ่งพํานักของตัวเองได้แม้การที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมหาสติปัฏฐานในสูซึ่งประกอบด้วยกายเวทนาจิตธรรมก็ที่จริงก็มีลักษณะอย่างนั้นคือคนส่วนใหญ่นั้นจะติดในกายตนแล้วก็กายบุคคลอื่นก็ประรคกายตนนะฮะแม้จะติดที่กายบุคคนอื่นก็ตาม เราก็ส่งสอนให้ศึกษาเรื่องกายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพอเธอเห็นที่กายเนี่ยแต่ว่าความกําหนัดนั้นยังมีอยู่ภายในใจเหมือเห็นว่ากายเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดไม่ได้แก่ก็วิ่งไปเกาะที่สุขเวทนาซึ่งจิตทําหน้าที่เป็นตัวสวยอารมณ์รสนั้น จนถึงก็ต้องการความสุขที่เป็นนิขึ้นไปจนความสุขที่เป็นสวรรค์ความสุขที่เป็นพรหมความสุขที่เป็นอริยะความสุขที่คิดว่าจะให้ตนเสวยได้นานๆพุะจา้าจึงต้องแสดงให้เห็นว่าเวทนาเองก็มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตยังไม่ได้จางคลายไปจากอานาจของกิเลสเป็นเหตุยึดติด มุ่งหมายที่จะให้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยังยืนเธอก็ไปเกาะที่จิตวิ่งไปเกาะที่จิตก็ถือว่าจิตนี่เที่ยงแท้จิตนั้นไม่แปรผันจิตมีที่ไปที่มาและในสุดจิตก็จะกลับไปสู่ที่ที่ตนเคยเคยอยู่แล้วเคยมาจากที่ตรงนั้นดังความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เป็นต้นคุณเจ้าก็ส่งสอนให้ดูที่จิตว่าจิตเองมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น จิตเดงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเหมือนกันก็ให้ดูที่จิตซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ละขณะแต่ถ้าใจยังไม่จางคลายจากกินเลยเธอก็วิ่งไปเกาะที่ธรรมะที่เป็นกุศลบ้างกุศลบ้างอภิญากฤตบ้างแล้วพระพเจา้าจึงทรงสแสดงสัจจะแห่งธรรมะเหล่านั้นแม้แต่ธรรมะเหล่านั้นก็เถอดมันก็ตกอยู่ในกฎของใจรักเช่นเดียวกัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงแปรปลวนไปไม่คงที่นั่นก็คืออุบายวิธีที่กล่าวโดยสรุปเราเห็นว่าทั้งหมดนั้นเพื่อปิดกั้นไม้จิตกะวิ่งไปเกาะในจุดอื่นต่อไปทีนี้ถ้าเธอวิ่งเธอวิ่งไปยังมีปัญญาจะต้องมองเห็นในจุดนั้นว่ามันก็เหมือนกันกับจุดที่เราชิ้งมานั่นเองไม่มีความปิดแผกกันไปแต่ประการใด เพียงแต่ว่าเชื่อว่ามองที่แก่ก็อาจจะแก่น้อยแก่มากหรือว่าแก่พอประมาณก็แล้วแต่แต่ว่าต้องแก่มันไม่มีใครไม่แก่เวลาเจ็บมันก็เจ็บมากเก็บนอนเจ็บพอประมาณบางทีอาการนั้นไม่ปรากฏแต่ที่จริงร่างกายมันก็ถูกความเจ็บครอบงำอยู่ในส่วนของความตายเองมันก็ตายอยู่ทุกขณะ ในการแตกต๋ากันอยู่ตร ก, กันนะ่ะว่าในจุดมองเหล่านี้เมื่อพระรูปนันทาท่านมองเห็นในจุดนั้นพระเจ้าก็ทรงสอนในนางน้อมมาที่ตัวท่านแล้วก็น้องไปหาสิ่งอื่นมองไปหาชีวิตอื่นวพราะวตกอยู่ในสภาพเดียวกับภาพนิมิตซึ่งกำลังเสื่อมไปแล้วก็แตกทำลายไป ต่ในที่สุดภาพนั้นก็กลายเป็นศพเปือยเน่าไปในทีสุดนางก็อาศัยภาพเหล่านั้นและสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเพิ่มเติมมากยิ่งขึนจะเริมีปรัสนาอยู่ตรงนั้นเองแล้วก็บรรลุบัพผลในที่นั้นเองนี่เป็นการแสดงเห็นว่าจุดมองเบื้องต้นก็เป็นการมองที่จับที่ความสวยงามไปก่อน คือจุดที่สนใจเรียกว่าอาอารมณ์นั้นมีลักษณะที่เราเรียกว่าสัพพายะคือมันสบายสมัครท่านท่านมองแล้วก็ท่านเพลินจิตใจท่านก็จดจ่อยอยู่ในที่นั้นได้ดันา น, นเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่คล้อยตามจดิตอัตยาศาสัยของบุคคลผู้นั้นคือถ้าเขากําหนัดเพลิดเพลินพอใจติดใจในสิ่งสวยงามอยู่ามากๆแล้วก็สามารถจะใช้สิ่งสวยงามเหล่านั้นสํารอกกิเลสเขาได้ก็ให้เริ่มตรงนี้ไปก่อน เพื่อให้จิตมันจับมันเกาะในสิ่งสิ่งนั้นให้ได้แต่ก่อนซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในกรณีนี้มีภิกษุณีหลายท่านที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แนวเดียวกันคือใช้ความสวยงามเขาลอกก่อนพอใจจับอยู่ที่ตัวสวยงามเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงซึ่งที่ตัวสวยงามเหล่านั้นให้ ไหลไปอย่างเร็วตามกฎของพระไตรลักษ์เขาในช่วงที่จิตไปจับเกาะอยู่นั่นเองมันมีพลังของสมาธิอยู่เพราะเธอก็พิ จ, พจารณาแต่ว่าก็เป็นการพิจารณาในแง่สวยงามมีความพอใจตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยแต่ก็มองไปเรื่อยๆและความสวยเหล่านั้น่มเปลี่ยนแปลงเมื่อสมบัตดานในพุท ธ, ธานาุภาพ แต่ในขณะที่ตัวความสวยนั้นเปลี่ยนแปลงกิจใจของนางก็ยังจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับซิบใจปอกใจพระความบริสสวยงามนั้นได้ลดน้อยลงได้เปลี่ยนแปลงไปได้แกงง่งหงอพระจราได้คล่ำคล่าได้เปื่อยดน่าได้แตกทำลายไปแต่อย่างนั้นเป็นการให้เหตุผลที่ถูกต้องสหรับชีวิตของบุคคลทั้งหลายว่า ตัว อ, อยู่ในกฎของพระัยรลักษ์ทั้งกับในการสอนในลักษณะนี้บางครั้งก็อาจจะเอาไปใช้กับผู้ชายมันก็เหมือนกันอย่างเช่นทรงนิรมิตดอกบัวที่เป็นทองคํามีความิจิตพิสดารในแก่ภิกษุรูปงามท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนพอใจในผลงานฝีมือที่เป็นอมตะเราจะเห็นว่าไม่ได้ติดอยู่ในรูปคนรูปสัตว์ ได้ว่าติดอยู่ในรูปสิ่งของพอใจติดใจในวิมือที่เป็นศิลปะมีความประณีตบรรจงงดงามแสดงถึงความรอบรู้ ช, นชนานิชํานาญในเรื่องเหล่านั้นของบุคคลผู้สร้างงานศิลปะเหล่านั้นพระเจ้ากระสงใช้เป็นเครื่องมือแนวเดียวกันในชั้นแรกก็คือให้จิตมันเข่งพินิจอยู่ด้วยความเพลิดเพลินยินดีเอ่อทึ่งชืนงโหนในความสวยงามของสิ่งเหล่านั้น หรือไม่ใจิตใจท่านมองอยู่ท่านก็สงบอยู่กับเรื่องดังนั้นจากนั้นก็ส่งบรรดาลด้วยพุท ธ, ธานุภาพให้ดอกบัวนิมิตนั่นเริ่มเหี่ยวอาศัยจิตที่มันความมีความสงบอยู่เงียวนิดเหี่ยวไปนิดเดียวท่านก็เห็นแล้วจิตก็ตามไปด้วยความสงบนั่นเองปัญญาก็เกิดขึ้นก็บอกแก่จิตโดยนิยะเดิมว่ามันไม่เที่ยง มันแปรผันไปแล้วความสวยงามที่มีเมื่อขณะก่อนนั้นได้แปรผันไปแล้วและสุดท้ายก็ใช้เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาพิจารณาเห็นเรื่องความจริงในเรื่องนั้นแต่ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นการชี้เห็นว่าการมองในแนวของไตรลักษณ์นั้นไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องใช้อะไร แต่มองด้แง่ว่าเราจคิดยังไงสามารถจะมองเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่แพร่บุคคลทั้งหลายนั้นอาจจะอาศัยกระแสน้ําอาจจะอาศัยใบไม้อาจจะาไไอาศัยก้อนเมฆอาจจะอาศัยฝนอาจจะอสน้ําที่กำลังไหลไปอยู่ในลานําธารในแอ่งน้ําหรือแม้แต่น้ําหยดน้ําค้างบนใบไม้เนี่ยท่านๆเอาเปนะ็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทั้งนั้น บางทีตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็นั่งมองน้ําค้างบนใบไม้ซึ่งก็ชุ่มฉ่าไปทั้งหมดในตอนเช้ามดืดเมื่อแสงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นมาก็จะแผดเผาสาดแสงลงมาโดยลําดับความร้อนเพิ่มขึ้นโดยลาดับกระแสหยาดน้ําค้างบนใบไม้ก็เกิดแห้งไปโดยลาดับในที่สุดก็หมดสิ้นไป ในสุดตั้งก็มองมาที่ชีวิตซึ่งถูกแปดเผาด้วยการเวลาตั้งแต่จุดเกิดจนถึงจุดตายนั้นการเวลาก็จุดค่าชีวิตไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งก็แตกลับไปก็เหมือนก็อยาินําค้างที่เกิดขึ้นบางทีก็เป็นอยาิที่ใหญ่บางทีก็อยาดเล็กๆบางทีก็เป็นจุดเล็กๆ ก็เมือนกัชีวิตของเราก็มีบุญมาต่างกันกระทากรรมมาต่างกันมีเหตได้อายุยืนอายุสั้นแตกต่างกันมีได้โรคน้อยโรคมากแตกต่างกันพอเราเกิดมาแล้วมันก็จะต้องตายเป็นธรรมดาแต่ว่าช่วงที่ตายต่างกันบางคนเกิดเกิดมาอายุสั้นพันตายในเวลารวดเร็วบางคนก็อายุค่อนไปถึงกลางคนบางคนก็ถึงกลางคนบางถึงก็ มันก็เลยไปจนถึงปัจจิมวัยแห่งชีวิตบางคนแกงง่งหอมพระเจราแต่ในในสุดทุกชีวิตมันก็ตายท่านเรียนมาจากอะไรท่านเรียนจากหยาดน้าค้างที่ตกอยู่อยู่บนใบหญ้าใบไม้ในขนาดที่แตกต่างกันนั้นการแห้งไปเป็นแห้งเป็นการแห้งไปคนละช่วงอันเล็กๆ ก, ก็แห้งไปก่อน แลในที่สุดไอ้ส่วนที่โตขึ้นโตขึ้นมันก็เกิดแห้งไปโดยระดับในที่สุดก็จบลงด้วยที่แห้งกันไปทั้งหมดในแต่ละวันเป็นการแสดงทั้งศาสตร์จะชีวิตซึ่งเราเรียนมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตโดยการเรียนมาจากหยกน้ําฟองน้ําตอบน้ําใบไม้ใบหญ้าต่างๆเป็นต้นประเด็นสําคัญยังอยู่ที่การจับจุดให้ได้ แม้แต่ได้เพียงเรื่องเดียวเพียงในญาติเดียวคราวนี้พิงดูตัวอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระปัญจวคีก็สอนในญาติเดียวสอนในญาติที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างให้ขันดังห้านั้นเป็นไปตามที่เราต้องการได้พระปัญจวคีถ้ากับบุมัผลเป็นพระหานได้แล้วก็ท่านมองไปสู่เรื่องทุกขังอันนี้จางได้โดยไม่จาเป็นจะต้องสั่งสอน พระเจ้าเริ่มสอนเทีอณา ต, ตานางรูปปันฑทานั้นเริ่มสอนที่อนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงแต่ในที่สุดนางก็มองเห็นทุกมองเห็นนา ต, ตาได้ภิสษุบุตรนายช่างทองนั้นสอนที่อนิจตาเหมือนกันในแง่ที่เป็นของแปรผันหรือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็ตั้งอยู่ได้เพียงชัว่วขณะเช่นเดียวกับภาพทิมิตรที่สอนานางรูปปันฑทา แต่ในสุตตันเรียนในจุดนั้นก็มองเห็นความทุกข์ความเป็นหน้าตาได้หรือว่าทรงสอนแก่พระโมคคราชที่มาก่าวทูลถามปัญหาพระเจ้ารับสั่งว่าดูกอดโพคราชให้เธอมองโลกนี้เห็นเป็นของที่ว่างจากของเราว่างจากตัวเราว่างจากตัวตนของเราและถอนความรู้สึกตอนนั้นออกไป ความรู้สึกว่าเป็นของเราออกไปความรู้สึกว่าเราเป็นออกไปหรือเป็นเราออกไปหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราออกไปในสัตว์ mine, ในสังขารทั้งหลายหรือแม้ pes, ในชีวิตร่างกายที่ถูกสมมติว่าเป็นของเราหรือเป็นเราเป็นตัวตนของเรานี่ออกไปด้วยการได้บัติได้เพียงเท่านี้เองก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของมัตุราชคือไม่หมุนวนในสังสารวัฏจงต้องเกิดแก่ตายอีกต่อไป จุดเริ่มต้นขอท่านมีเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติคุณสมบัติเหล่านี้เราก็มีอยู่แล้วทุกๆคนเคราคก็ไปซื้อของหรือหยิบชวยอะไรขึ้นมาก็ตามเราเห็นในชั้นแรกเราเห็นในมุมใดมุมหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเมื่อมีความสนใจหรือต้องการจะตรวจสอบก็พลิกไปพลิกมามองดูในแง่มุมต่างๆจะเป็นกี่เหลี่ยมจะเป็นกรมจะเป็นแปเหลีม่มจะเป็นสี่เหลีม่มจะเป็นหกเหลี่ยม ก็มองไปตามแง่มุมเหล่านั้นแต่ว่าตอนตอน้ตนๆที่จริงเราก็เห็นจุดเดียวแต่การศึกษาในแนวของกรรมฐานที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นประเด็นสำคัญที่จะได้ประโยชน์ในชีวิตแต่ละวันก็คือว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไหนอย่างไรก็ตามเมื่อสิ่งเหล่านั้นแสดงอาการที่เป็นสัจธรรมออกมาอย่างหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่งฉนแก่ฉันเจ็บฉันตายนแปรผันชันแตกทำลายอะไ ร, ะไรต่างๆก็ให้มองเห็นในแง่ของธรรมดาแม้แต่ตัวเราก็ไปเจอธรรมดาครับถ้าไปมองที่คนอื่นก็ให้เห็นความจริงในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ตัดความยินดียินได้ออกไปน้อมนำเข้ามาตัวเองว่าแม้เราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ เป็นการขาจัดทั้งส่วนของอภิชาและโถมนัตในโลกซึ่งเราจะต้องประสบในแต่ละขณะของการรงชีวิตไว้ได้ในระดับนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบนนสืบต่อไป